10. นันทิยะส ก, กะสูตรว่าด้วยเจ้าสกยะพระนามว่านันทิยะ1นึสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณ น, นิโครธารามเขตกรุงกบิลพัทแคว้นสกกระครั้งนั้นพระเจ้าสกยาพระนามว่านันทิยะเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ